ตอนที่หกสิบสีความเชื่อมัน่นเรื่องเหล่านี้ท่านซื่อจือกลับไม่รู้เลยหรือลินเซินฟังจนดวงตาเบิดกว้างสองมือบีบแน่นจนข้อนิ้วส่งเสียงดังกรอบเยว่หัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงบาดหูท่านซื่อจือยังคงคิดว่าน้องชิงจือของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้เดงสายอยู่อีกหรือเบาะแสเพียงน้อยนิดที่ท่านมีค ง, คงคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับนางสินะเยว่หัวเราะจนรู้สึกปวดใจเสียเอง หากเป็นเช่นนั้นความทุกทรมานของข้าคงต้องรับต่อไปการฝากความหวังไว้ที่ท่านซื่อจื่อช่างเป็นการฝันกลางวันแท้ๆ ท, ทุกคำพูดของนางราวกับเข็มเหล็กที่ทิ่มแทงลงบนตัวของลินเซิรเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวทันใดนั้นก็ลุกพรวดพร้าพุ่งออกจากห้องขังไปเมื่อกลับไปที่ห้องของเหอต้ตาจื้ออีกฝ่ายก็พาเหล่าอนุภรรยา น, นี่หายไปนานแล้วลินเซิร์โกรธจัดจนเตะเก้าอี้พังพินาศก่อนจะกลับมาที่ห้องขังอุ้มเยว่ขึ้นหมายจะพานางออกไป เหล่าทหารยามรีบเข้ามาขวางที่หน้าประตูท่านซื่อจือ่อท่านหญิงจะออกจากห้องขังไม่ได้ขอรับคดีนี้มีความสําคัญยิ่งฝ่าบาททรงให้ความสาคัญเป็นพิเศษหากฝ่าบาททรงทราบเปลงว่าแม้แต่ท่านซื่อจื่อเองก็คงจะรับผิดชอบไม่ไหวหลินเซินทําเป็นหูทวนลมถอยไปทหารยามต่างลำบากใจไม่มีใครกล้าหลีกทางให้ในขณะที่หลินเซินกําลังจะลงมือเย่ว่ก็รั้งเขาไว้ช่างเถอะ ท่านวางข้าลงเถอะลินเซินสูดลมหายใจเข้าลึกระ ง, งับความโกรธแค้นที่เต็มอกไม่ได้เจ้าบาดเจ็บหนักขนาดนี้ต้องไปหาหมอเช่นนั้นท่านก็ให้หมอมาที่ห้องขังแทนสิเยวโขขึ้นเสียงเล็กน้อยจนสะเทือนถึงบาดแผลประกอบกับวงแขนที่เขาอุ้มอยู่นั้นรัดแผ่นหลังของนางพอดีความเจ็บปวดทาให้นางเหงื่อไหลโรมกายหากท่านยังไม่ปล่อยข้าลงข้าคงต้องเจ็บจนตายจริงๆแน่ หลินเซินรีบวางนางลงบนกองฟางแห้งอย่างระมัดระวังเพียงแค่เขาอุ้มเมฆครูแผ่นหลังของนางกลับมีรอยเลือดซึมออกมาอีกแล้วผ้าสีแดงฉานนั้นบาดตาหลินเซินอย่างรุนแรงเขากัดฟันกรอดเหอตาจื้อเจ้าคนสารเลวข้าจะสับมันเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเยว่าแค่นยิ้มเย็นเขาทำหน้าที่ช่วยสืบคดีสอบสวนตามปกติหากท่านฆ่าเขาท่านคิดจะต่อต้านฝ่าบาทหรือสอบสวนตามปกตินี่มันคือการซ้อมทอนมานเพื่อให้ยอมรับสารภาพชัดๆแล้วอย่างไรเล่า เยว่ทั้งโกรธทั้งเจ็บจนกรอกตาไปมาตาบ้าคนนี้มาเพื่อทรมานนางใช่ไหมในเวลาแบบนี้จะไปเอาความกับเผอตาจื้อจะมีประโยชน์อะไรหากคิดจะช่วยนางจริงๆสูร้รีไปสืบหาความจริงหาที่มาของข้าวขึ้นราและตัวบงการเบื้องหลังจะดีกว่าน่าเสียดายที่เยว่ถูกจองจำแม้จะรู้ดีว่าตัวการคือเสี้ยชิงจือแต่ก็ไร้หนทางจัดการคาดว่าเพราะเรื่องนี้คนในจนกัวกงคงได้รับผลกระทบกันหมด ยามนี้ความหวังเดียวที่นางจะพึ่งพิงได้กลับมีเพียงหลินเซินเท่านั้นแต่นางยินจะเชื่อใจเขาได้อีกหรือเยว่ะหอบหายใจทีเล็กน้อยงนหน้ามองเขาอยู่นานสุดท้ายนางก็ต้องยอมจำนนต์ต่อความเป็นจริงหลินเซินท่านฟังให้ดีข้ารู้ว่าท่านไม่อยากเชื่อว่าเซี่ยชิงจือคือผู้อยู่เบื้องหลังแต่ยามนี้มันเกี่ยวพันถึงชีวิตคนต่อให้ท่านจับนางไม่ได้ท่านก็ต้องทําให้ความจริงปรากฏชัดไม่อย่างนั้นคนทั้งโจรกัวกรมของข้าต้องถูกประหารเจ็ดชั่วโคตร ท่ามีสัญญามั่นหมายกับข้าทั้งยังเสนอตัวรับเรื่องนี้ไปจัดการเองท่านและจนสิ้นอ๋องก็ย่อมต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนางคว้าคอเสื้อของลิงเซิลและวกระชากเขาเข้ามาใกล้ท่านได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่ชีวิตของคนทั้งครอบครัวข้าอยู่ในมือท่านแล้วหากท่านทําให้ข้าผิดหวังอีกชาติหน้าต่อให้ต้องเป็นผีข้าก็จะไม่ปล่อยท่านไปลินเซิล ร, ราวกับถูกไม้ฟาดเข้าอย่างจังเขามองดวงตาที่แดงก่ําของเยาว่าก่อนจะค่อยๆกุมมือนางไว้เจ้าวางใจเถอะ ขาหลินเซินขอสาบานหากช่วยเจ้าและคนในจวนกัวกงไม่ได้คนทั้งจวนสิ้นอ๋องจะขอตายตกไปตามกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นเยว่ก็ชะงักไปเขาถึงกับกล้าเอาคนทั้งจวนสิ้นอ๋องมาสาบานเชียวหรือในชาติก่อนเรื่องเช่นนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชั่วพริบตาั้นหัวใจของเยว่กลับสั่นคลอนเล็กน้อยหลินเซินในชาตินี้ดูเหมือนจะแตกต่างจากชาติก่อนจริงๆ ลินเซอร์ไม่ได้กล่าวอะไรต่อเพียงแต่บีบมือเยว์ว่าแน่นๆครั้งหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นแล้วสาวเท้าจากไปอย่างมั่นคงเยว่ามองตามแผ่นหลังของเขาทัานใดนั้นนางก็รู้สึกถึงความมั่นคงในใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเกิดอะไรขึ้นทั้งที่รู้ว่าไม่ควรฝากความหวองไว้ที่เขาอีกแต่ในยามนี้นางกลับมีความเชื่อมั่นในตัวเขาถึงเพียงนี้เขาจะช่วยครอบครัวของนางได้จริงๆหรือเยวว่าเริ่มตัวสั่นเท้าขึ้นมาทันที พระนางเพิ่งตระหนักได้ว่าหากการเดิมพันครั้งนี้พ่ายแพ้สิ่งที่ต้องจ่ายคือชีวิตของคนทั้งครอบครัวนางจะต้องพบกับจุดจบที่ครอบครัวพินาศเยอยยับเหมือนในชาติก่อนอีกครั้งอย่างนั้นหรือหลินเซินอย่าได้ทําให้นางผิดหวังอีกเลยไม่นานท่านหมอหลี่ก็มาถึงหลินเซินรีบจัดแจงให้เขารักษาเยว์ทันทีสิ้นอองส่งทหารคนสนิทออกตามหาหลินเซินไปทั่วเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาแทรกแซงการสืบสวนหลินเซินจึงตัดสินใจไม่กลับจวน อ, องเสียเลย พระเยว่าและเยเวหวาถูกจับการบันเทาทุกจึงหยุดชะงักผู้ประสบภัยต้องทนหิวโหยอีกครั้งและเริ่มเกิดความวุ่นวายขึ้นทีละน้อยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปความกังวลของเยเว่าและเยวาก็จะกลายเป็นความจริงลินเซินไปที่โกดังเก็บสเสบียงสเสบียงในโกดังล้วนเป็นของดีแต่ทว่าในวันนั้นข้าวที่ใช้ต้มโจ๊กกลับเป็นข้าวขึ้นรานี่มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดนานเฟิงมารายงานเรียนซื่อจื่อคนขับรถขนสเสบียงเป็นคนตัวเปล่าเลาเปลือยตัดขาดกับญาติมิตรไปนานแล้ว แต่ในวันที่เกิดเรื่องมีคนเห็นเขาขับรถขนสเสบียงแอ บ, บไปที่ชานเมืองตะวันออกจากนั้นจึงวนกลับมายังจุดแจกโจ๊กตามบันทึกข้าวสารที่เขาขนออกไปในวันนั้นมีจํานวนเท่ากับที่ใช้แจกโจ๊กพอดีหากเขาแอ บ, บสลับข้าวชั้นดีเป็นข้าวขึ้นราเช่นนั้นข้าวชั้นดีก็น่าจะถูกเขาขนไปซ่อนไว้ที่ชานเมืองตะวันออกเป็นแน่และเพราะเหตุนี้พวกเราจึงพบร่องรอยของข้าวขาวชั้นดีในป่าไผ่ชานเมืองตะวันออกเมื่อฟังจบหลิงเซินก็รลีตาลงครุ่นคิดครู่หนึ่ง ชาญเมืองตะวันออกซ่อนไว้เสเบียงจํานวนมากขนาดนี้เขาจะซ่อนไว้ที่ไหนชาญเมืองตะวันออกไม่มีแม้แต่วัดร้างหักวางสบียงทิ้งไว้กลางแจ้งเช่นนั้นคงถูกน้ํา้างซึมจนเปียกโชกไปนานแล้วเขาไม่มีทางปล่อยให้เสเบียงพวกนี้เสียเปล่าแน่หนานเฟิงไม่เข้าใจเช่นนั้นเขาจะจัดการกับเสเบียงพวกนี้อย่างไรหลินเซินครุ้นคิดอยู่นานสายตาที่มองไปยังทิศทางของชาญเมืองตะวันออกเริ่มคมปราบ โจระป่านานเฟิงตกใจพร่องออกมาว่าเขาร่วมมือกับโจระป่าขายเสเบียงพวกนี้ให้พวกมันงั้นหรือผลสุดท้ายพวกโจระป่าหวังชิงทรับเอาเสเบียงไปแต่ไม่ให้เงินแถมยิงค่าเขาแล้วชิงทรัพย์สินทั้งหมดในตัวไปสายตาของหลินเซินยิ่งมั่นใจมากขึ้นผู้บงการเบื้องหลังต้องให้เงินก้อนโตเพื่อซื้อตัวเขาแน่เขามีเงินติดตัวมหาศาลทั้งยังพกเสเบียงมาด้วยตั้งมากมายพวกโจรป่าจะปล่อยเขาไปได้อย่างไรนานเฟิงพันตรหนักได้ เช่นนั้นซื้อจื่อพวกเราควรทําอย่างไรดีหลินเซินตอบอย่างเด็ดขาดเข้าวังขอพระราชาองค์การปราบโจร น, นานเฟิงรีบขวางเขาไว้ทันทีแต่ว่าทางด้านท่านอองตอนที่ข้าน้อยมาเห็นท่านอองนําคนออกตามหาซื้อจื่อด้วยตนเองท่านอองคงไม่ชอบใจนักหากซื้อจื่อยังคงสื่อเรื่องนี้ต่อไปสายตาของหลินเซินแน่วแน่ข้าให้สัตยาบานกับเยาเยาไว้แล้ว หากสืบเรื่องนี้ไม่กระจ่างจนจวนกัวกงต้องถูกประหารล้างตระกูลคนในจวนสิ้นอ๋องทั้งหมดก็จะขอตายตกตามกันไปนานเฟิงสูดลมหายใจเข้าลึกด้วยความหนาวเหน็บหลิงเซินไม่อธิบายความใดอีกเก้าเท้าตรงไปยังวังหลวงทันทีนานเฟิงได้สติก็รีบตามไปอย่างรวดเร็วฟาบาด ท, ทรงสดับคำรายงานของหลิงเซินจบก็ทรงตบโตอย่างแรงที่แท้ก็เกี่ยวข้องกับพวกโจรป่าที่ชานเมืองตะวันออกกลุ่มนั้นพวกโจรกลุ่มนี้เป็นหนามยอกออกของเจิ้นมานานแล้ว ถือโอกาสนี้กำจัดทิ้งเสียก็เป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่า